ผิวขาวดำ ม, มีหลายแบบแสดงว่าจิตต่างกันอย่างไรถามผิวขาวกับผิวดำ ม, มีหลายแบบขาวซีดก็มีขาวอมชมพูก็มีดำหน้าเกลียดก็มีดำเนียนตาก็มีอย่างนี้ขึ้นอยู่กับความต่างของเมตตาหรือพยาบาทอย่างไรตอบ ขอจำแนกลักษณะผิวเป็นข้อข้อพร้อมกรรมอันเป็นต้นเขาดังนี้ครับ 1. ผิวขาวเผื้อดเกิดจากการมีความโกรธเบาบางไม่ค่อยผูกพยาบาททว่าขณะเดียวกันก็เมตตาแบบเงั้นๆคือไม่ได้มีความรักเอ็นดูในเพื่อนร่วมทุกข์ทั้งคนละสัตว์ซักเท่าไหร่ 2. ผิวขาวอมชมพู เกิดจากการมีจิตฝักไฝ่ในเมตตาธรรมและเป็นเมตตาที่ทอรัสมีออกมาจากความเอ็นดูรักใคร่คนและสัตว์อย่างลึกซึง้งขอให้สังเกตว่าคนผิวขาวสวยมักมีเนื้อหนังนุ่มแน่นและเนียนละเอียดเหมือนแผ่นยกด้วยผู้มีความสมบูรณ์แบบทางผิวพัธุ์ชนิดไร้ทิติประเภทนี้จะสะท้อนอดีตก ร, รมในปางก่อน คือเต็มเปี่ยมด้วยเมตตาอย่างไร้ทิฏฐิตลอดชีวิตจึงมีกำลังส่งจากกรรมเก่าคุมรูปให้ขาวสวยอย่างยืดเยื้อยาวนานแม้พลาดพลั้งทำบาปอากุศลก็ไม่เห็นผลเปลี่ยนแปลงเป็นความเสื่อมโ่งมคล้ำหมองของผิวง่ายนัก 3. ผิวดำขาเกิดจากการมีเมตตาที่เจืออยู่ด้วยโทสะอ่อ น, ออน ขอให้นึกถึงคนปากร้ายใจดีซึ่งก็แยกย่อยได้อีกหลายแบบปากร้ายน้อยใจดีมากปากร้ายมากใจดีน้อยถ้าปกติใจดีแบบเยือกเย็นก็จะเป็นตัวกำหนดความเนียนของผิวมากเป็นพิเศษ 4. ผิวดำาน่าเกลียดเกิดจากการมีแต่โทสะท่าเดียวหาเมตตาธรรยายาก ขอให้นึกถึงคนใจร้ายมากโกรธโกรธง่ายหายช้าคุณจะนึกไม่ออกเลยว่าจิตใจเขามีความสว่างหรือมีความเย็นกับใครได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใจร้ายแล้วปากยังพ่นเป็นแต่คำหยาบคายชาติถัดมาจะมีผิวพันธ์ามถึงขั้นรู้สึกเป็นปมด้อยหรือกระทั่งเป็นโรคผิวหนังบางอย่างที่ส่งกลิ่นเหม็นผิดปกติชาระให้สะอาด หรือประพรมให้หอมได้ยากขอให้สังเกตว่าบางคนทั้งผิวทั้งกลิ่นปากจะน่ารังเกียจควบคู่กันนั่นก็เพราะกรรมทางวาจาบางอย่างมีวิบากแรงแสดงผลทั้งทางผิวหนังและกลิ่นปากอย่างชัดเจนนอกจากนี้แม้หันมาฝ่าใจทําทานรักษาศีลก็อาจต้องใช้เวลาหรือต้องใช้กําลังใจมากหน่อย ผิวพรรณจึงจะดูเปล่งปลั่งขึ้นได้ด้วยรัศมีบุญใหม่ 5. ้าผิวไม่ดำไม่ขาวไม่ง่ามไม่น่าเกลียดคือเป็นกลางกลางเกิดจากการมีเมตตาและพยาบาทในแบบที่คาดเดาได้เรียกว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรก็ใจดีใจร้ายตามกระแสะโลกไปเรื่อยไม่มีการควบคุมตัวเองไม่มีหลักการใดเป็นพิเศษ เช่นถ้าโดนด่าแรงๆก็จะโกรธแรงและผูกใจเจ็บแรงพอเขามะงอ้อหรือขอโทษก็คอยอโหสิให้แตกต่างจากพวกใจดีที่แม้ดวนเล่นงานก่อนก็ทำใจอภัยได้เองโดยไม่ต้องมีใครมาขอโทษแล้วก็แตกต่างจากพวกใจร้ายที่แม้ใครทำดีให้ก็อาจมันไส้จับผิดเพ่งโทษได้ สำหรับผิวเป็นกลางๆนี้ก็คือคนทั่วไปในระดับเฉลีย่ยแปรปรวนตามกรรมใหม่ง่ายคือถ้าทำบาปมากๆผิวอาจแปรเป็นหมองคล้ำอย่างรวดเร็วแต่ถ้าทำบุญใหญ่ๆผิวอาจผุดผาดขึ้นทันตานอกจากนี้ยังอาจมีกรณียกเว้นที่ไม่เข้าข่ายข้างต้นเช่นบางคนมีผิวดำสนิททั้งที่จิตใจดีงามมาก ไม่มีเขาหรือว่าจะเคยเป็นพวกเจ้าโทสะนั่นเป็นเพราะอดีตชาติเคยเห็นแล้วชอบใจในผิวสีแบบนั้นเป็นกรรมทางใจที่ส่งให้ไปสวยพบของคนผิวดำสนิทได้เหมือนกันพูดง่ายๆคือโลภ พ, พาไปและในทางตรงข้ามหากชอบให้ของชอบให้อภัยชอบช่วยคนมีความโลภน้อยยิ่งถึงแม้ขี้หงุดหงิด ที่เครียดเก่งก็อาจจะยังมีบุญฝ่ายขาวคุ้มผิวให้ขาวได้อยู่อีกพวกคือไม่ได้เจ้าโทสะแต่จมปลักอยู่กับความหมวนหมองเศร้าส้อยเป็นนิดอันนี้ก็มีสิทธิ์เกิดเป็นคนผิวดำคล้ำหมองไม่น่าดูได้เหมือนกันพูดง่ายๆคือโมหะพาไปและในทางตรงข้ามหากฝึกที่จะมีสติตื่นตัวสดใส เป็นอยู่ด้วยความประติรือร้อนเกิดปัญหาแล้วใช้ปัญญามากกว่าอารมณ์อันนี้แม้อารมณ์บูดอยู่เรื่อยๆก็ไม่ถึงขั้นทำให้ผิวพันหยาบกร้านนักขอตั้งข้อสังเกตอีกแง่หนึ่งคือการบำรุงผิวและการรู้จักเคล็ดลับออกกำลังกายให้เลือดลมเดินดีอาจทำให้ผิวงามขึ้นแต่จะขาดรัศมีหรือกระแสทางใจ ที่ก่อให้เกิดความรู้สึกด้านดีคล้ายคุณเห็นหุ่นขี้ผึ้งของยอดฝีมือไร้ที่ติพอสัมผัสใกล้ชิดก็รู้สึกว่าขาดชีวิต จ, จิตใจแห้งแลง้งไม่ชุ่มชื่นแตกต่างจากความงามที่แปล่งออกมาจากแรงบุญซึ่งชวนให้เกิดความชื่นใจรู้สึกมีชีวิตชีวาได้ยิ่งกว่ากันมาก